ซีดีต่อมะบรรยายจุดฟังทีไรได้สุทตพีโดยพระปรมพออุทธนาครปอบริตโตวัดยาโนเวสกรตาําบลบางระทึกอำเภอสามพรานฎร์จังหวัดนครพนมเรื่องที่แปดเกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือบรรยายเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2536เมื่เราเกิดมาจะ ถ, ถามม่าเกิมาเพื่ออะไรคนเป็นมากจะตอบอยังงจะตอบไม่ถูกเพื่คอคิดว่าไม่จะตอบไปยังไงดี แม้ว่าหลายคนต้อไปคิดถึามสุขแมแต่อาจจะตอบคำถามหรือว่าเกิดมาเอหาความสุขคาตอนี้ก็จะถูกอไม่นูกกต่างแต่แสดงให้เห็นว่าเรื่องความสุมันเป็นเรื่องใหของมนุษย์เม็นเที่เด่นดีในใจคนเราคิดเรื่องนี้สป็นสคัญว่าทีนี้ในเรื่องความุขป็นเรื่องคัญของมนุษย์แราจะมนุษต้องเลือหาเราก็จะต้องเอาใจใสทกางทั่้านจะต้องเอาใจใส่เขาพราะเราไม่ต้องอาความสุหาได้ถูกต้องก็เกิดความสุขขึนถ้าหาไม่เจนหาไม่ถูกก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาจากตัวเองหรือเกิดปัญหาจากคนอื่นใคก ที่คนหนึ่งมีการทุวนทีตัวเองได้สุดมังแต่หรับคนอื่นเดืดร้อนมามาปัญหาเรองแรกเกิดการที่คนใจหาความสุขปัญหาที่เกิดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการหาความสุขของมนุษย์จะเป็นนหนี่ต้องมามองดูตามหลักธรรมะเพ่จะได้ให้เห็นแนวทางในการช่วยให้คนหาความสุขได้คุณผู้กขดใจนีความสุขก็จะไม่ถึงความสุขจากการที่ตาคุณช่วยมื่ได้เสียสิ่งที่พใจที่มีสุขก็เลาคุกันมาแล้วนเรื่องนี้การที่ตาควยมือวิ่งกายสำคัญที่สุดตาได้ดสิ่ กันอยูนิอที่ถูกืนรรอที่ต้องการสิ่นียนอต่างนีนะไม่เป็น่คัั้วามุะันี้เป็นเรื่อหญ่มากอ่าระน้อมใหมนุษย์แล้วก็ทัทุกอย่างก็จมุ่งไปที่คานี้อรุณศสนาเลความุขแนี้ทั้งหมดให้ตับเดีรวตามความสุขทเกิการนเทิงตามของ่นกเป็นเรื่องกเพราะนั้นตามกหมายถึงสิ่งที่มนุบกได้เพตามเองว่าความอยากที่สิ่งที่อยาก้อะไรอยากได้เรื่องบันเ u ิงตเ ตานีเประกาสมและก็สิ่งที่เป็นแต่ละอย่างแต่ละประเทศที่จะมาดําเลยตามวิญญาิใจที่เป็นประการมาคุณการคุณไม่ได้คุณนั้นที่ไม่ได้แต่ว่าคุณประโยชน์คุณ้าามแต่ลว่าส่วนส่วนต่างๆแต่ละประเภทส่วนต่างที่จะมาดลบเลยวิญญามจิตใจนี่ว่าสิ่งที่ยากหน้าแตประเทศประเทศก็มีการมาคุณก็ส่วนที่มาดํบเลยตางส่วนที่มาดลบเลยถ้ามาดลบเนิดมาดเพราะฉะนั้นลมแล้วก็จะได้5้ามาคุณหาก็ยนบ่อยการมาคุณ ก็ถืตามเลยที่เป็นส่วนต่าส่วนวรกกุารเินขอคุณฮะสิที่ตัมามันก็เลยหายไปในิ่งนั้นคุณไม่จำเป็นต้รันะว่าการไม้่วให้คนังสิราว่าสิที่การจกสมอย่างนึงก็ว่าท่านให้รู้เท่าทันมันคืรูเท่าันส่วนดีของกางก็คนเอตราของางแต่ว่าตน้ที่มันนอก่างนีส่วนดีแล้วมันก็ีอัธีะแต่ละส่วนเสียของตางนก็มาวาว่าการมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเป็นกานมีประโยชน์ดีก็หมด นตอนที่มันมีส่วนเสียด้วยนี่แหละเราก็ปฏิบัติไถูกเสียมันกจ้มันก็จะไปตกไปทับรือที่จันไส่วนดีนี้เกิดขึ้นธระยถ้าเข้ามาตัวทาในคนจะได้แต่ส่วนดีไม่ทาให้เกิดสเสียเาแล้วเพรา็เหตุการณ่ไในในเมตตามันส่วนเสียอยู่แล้วมก็หาทาไม้ต้งมีอะไรที่แย่แหมีอะไรที่ดีกว่าการผิดไหมเ้าก็มีถ้าไม่ีก็ต้องหาทางมตามนส่วนดีเทาที่ทำได้สี่จัน่หมดส่วนเสียนัไม่ได้เขาบิดตรงแล้ถ้ามีส่วนที่ดี แล said, ้วก็ขากเราเปิดหัวใจกุนแจการไปแล้วเราก็เพิไปกิจการไปลตกาไป้อันน้ก็แ้ต่จละัที่เรืแต่กให้รู้แลกมาดูที่เดียร์ได้ไได้ดจากเลือดนี่ก็เอาที่นี่ก็ให้หลักคือว่ารู้ะเจ้าเป็คนปกรอจนและเปนลอร์ดจะเป็หลักขึ้นมาหมดมาดูกิจการเาแล้วส่วนที่ล้ตามก็ไมรู้จักกันแล้เพราะนันมีความสุขที่อยู่วันนี้ก็หนึ่งหัวสุดจะตามไปกันพันบนโดยตามผู้ชมมิตรกายใส่กัะศาสนาในเมื่ตเป็นลก็หนึ่ง ตัวเองนะเอาที่ตัวเองก่อนม่ายก็ตัวเองนี่สุดจะาไม่รู้จิตถือไม่จะอเน่ไม่รูะิตไ่้จะอมีเท่าไหร่ก็บางทีพตัดสิ่งนี้พอได้ก็สนใจตันนะแตสุดเส็จที่แต่เสแล้วก็ต่อมาต่อมาสักกินชาก็รู้สึกอยากจะได้ก็ต่อุานนี้ไม่อเพาไอันเดิมที่เคยมีความสุดได้ความสุดก็เปิดดุน่เอวาไม่อก็มองหาต่อไปเพิมต่อไปนี้ทันสองงานเนกิดโทษเกิดะน่ำคืสที่ตัวเองเกิดดุหน่ยแล้วที่เคยนี่ก ตอยเาเกิดเรนตั้งแต่อยู่ะวนารทุกขไอ้ติพทนี่จะให้สอชาชเือหนวกนี้ไอ้ม่ก็ได้ไม่ได้เส็ทุกราดูทั้งนี้ถ้าคิดทาไมจะคนียมันจะได้หนอไ้แต่เพาะง่ายบ็ดีคนไม่ได้อมด้เยเนี่เอาลกิดทุกค์พราน้องนั้ทุกขเพราะไอเตียังไม่ได้้วส่วนตัวจะวิ่งไปหามันไม่ถึงตะนววิ่งต่อไปมันก็ไม่ถูกตะวันมันไม่บางแรงมันก็ทิ้งฝังต่อไปที่มันไกลไม่รี่เมื่อไห เรานี้กว่าอาิชแต่สิ่งภานอกไม่ได้อยในตัวเนะมันไม่ได้ขอสมเด็จในตัวมันไม่ได้ขอสมเด็จในตัวความสุขของเราก็ขึ้นตัสิ่งภายนอกไม่ได้เป็นสลักตัวเนี่ยเมื่อเอาความคิดเปสิงภายนอกมันก็กลายเป็ว่าเรานี่จะต้องซื้ออิสรภาพไปมองในแง่นก็เมืนเราเป็งทาสของสิ่ภายนอกเพราะวตาที่า่ติตัวเป็นทาสจริงๆทันีเราพันก็ดีไปเข้าหมายภาวะยังรับตัวเองได้แต่องจากคนที่จัดการเป่นทาสสิ่งเน่านั้นฝา้คิดจริงสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหม่านะ ไอ้ที่ไอ้อีกขาวใก็อเสิ่งนั้นเกิดแตกตัวไปตัวเองก็พลอยทุกข์ไปด้วยนะทุกข์ไปเม่อสิ่งัไรกอบตัวนี้ก็จิงๆนะอีกสิ่งหลับนทั้งตัวเองทั้งสิ่งเ่ามาเป็นสังขารคือไปเกิดใจเปลี่ยนแปลงโดยตาบัวเธรรมชาติเป็นภาษาพิจารณ์ทุกั้งหน้ีตตัวเองกมแล้วตัวเป็นก็เป็นนิจจังเปลี่ยนแปลงไปอ่าสิ่งนั้นที่ตัวเองมวมีความสุขกับความสุขให้ก็เปลี่ยนใไปในเรื่องสองฝ่ารก็มีความกปลี่ยนก็ลงได้เควาะที่้นต่อสิ็ไม่อย เมื่อได้ีาก็นย่านตอกเป็นลักษณะของตามสุดนี่เมื่อจุดเราไม่นจุดที่ดีมาบกพร่องต้องาหลักปฏิบัติให้ถูกเมื่ออยากหาจรสุขก็ได้มีความสุขได้องดีอย่างมากที่โดยมีความทุกขน้อยที่สุดเมื่อความสะนี้มีตัวตนเขาบกร่องตัวเจยอย่างนี้ถ้าเราต้องอาจารบจมันก็ต้องวิจักที่ปฏิบัติเพื่อมหความสุขไ้ดีที่สุดและทกน้อยที่สุดถ n าไม่อยากจะโนธรรมะเข้ามานี่มองในแง่ที่เกี่ยวกับนเอนี่มนงใน ในเนื้อความสุขที่เกิดจากการม่ใสิ่งที่ไม่รู้จะขพอไม่เป่น็วิ่เตามหาเราดูด้วยไปทำให้เราหาให้มากขึ้นมาขึ้นแต่ตอนนี้จะเป็นปัญหาใาังหารรบกันเพราะแต่ละคนก็จะต้องส่งหาด้วยการและตารคนจะต้องไม่พอใช่ไหมอุดด้วกันให้แตาคนจะต้งหาให้มากทสุดแต่สิ่งตางที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันมีการัดเพราะในคนก็จะขัดแย้งกันขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งในพฤติกรรมเมื่อขัดแย้งกันก็เกิดการทะเลาะวิวาสการแย่งชิงการแี่งเดียร์การแข่งขันการเข้ามาที่เดียวกันี่ ในบางคั้งก็เรียนหน้าดีโอกาสในผู้อื่นก็อบ ง, งให้อำนาจดีเปน้าคนเพื่อรกรวมมาให้มากที่สุดก็นี่เป็นปัญหาในการเดือด น, นกันมนุษย์แล้วก็ไอที่ว่าไม่มีมอเนี่ยทาการทรก็ให้หลักมากมายต่ในหร้ททีก็มีทหารุกอกรนะเนการหน้าที่ารมานทีม่มนออ้ำนะเสนสนปัญหาไดีนเพราะว่าแม่นมันัีเป็นร่ปัญห า, หาห น, นี้มาเต็มเวลาผู้ช้ารำจากโครหาความรักดรน่ะมีอารมณ์ไม่สิ้สุดเลยบางครั้งบางเดียก็อยากได้สิ่งนี้ก็อยากได้ส่งั แม่จากในเรามีภูเขาให้เป็นทองคําั้งภูเขาก็ไม่พอในความปรานาบุคคลแมคนเดียวนะเนี่นยเอาทองคได้ภูเขาหนึ่งภูเขาโดยกักดันได้ภเขาอีกนี่ยนมโกเหอนั่นอย่างลูกชาก็จะมีปีกเป็นมืนก่ทางสราชเนะี่ยทองดินเป็นจักพทั้งโลกแล้วนะได้ผลปารกนาละเออมาจากไหนกีก่บ า, า, าทจะได้ทงองเป็นจักรรรดิใหญ่ที่เป็นเจ้าของโลกพอเป็นเจ้าทั้งโลกทางบานก็ครอบครอเปนมาขึ้นทั้งสี่ทั่วไปก็พักกินไปความมันน่าชอบอ่ในสิทธิ้ ถ้าสบายดีก็คือบอกว่าสวรรค์ดีขนาดนั้นเลยแสวรรค์ท่านเจ้าสมุทรราก็ตามเลืออกมาเป็นเจ้าักรพที่มีระบรรนมีแต่รนแผ่อนาจเอาไปไปแต่ทีสวรรค์ท่านโลกบาสอาจจะโกบาก็ต้อรับก็ราาประสงค์ก็เลยให้ครอบครองเออสวรรค์ท่านต้มคืออไปแล้วถ้ามีกุยเลยไม่อยเลยไม่แค่นีไม่ได้แต่สวรรค์ดีตนไม่มีหรือ้บายีเาบอก่รดาดึของแต่ก็มันแไปต่อแต่ีนเดาดึงว่าพระดึงทราบคว่ม พอได้ลองตึ้นตะวัะนาวตึงนานเท่ามันเข้าช่างรวยและแต่อยากมากขไงจะได้ตวนทั้งหมดแล้วถ้าอินยึดขัดขนางชักทิศข้าวให้อ่นก็ดีนะเฝ้าแล้วแม่ก็ยังเงี้นะเออสีทธิ์ที่ปราบธนาสมบูรณ์เนี่ยเราติดเป็นเอกไปเลยทำลายต่อผู้อื่นได้ง่ายๆเี่ยเระว่าเปิธังแล้ที่เป็าวให้นาี่ตามหลังาบอกว่ามนุษเนี่ยที่ข้าเถิดาไม่ไดเพราะวาไม่สามารถจข้าได้สิทธความนี้จะทให้เมื่อคามปราบธนาที่มันมีชุดขัดข้อง เนี่ยพเจามันทาาได้เลยร่างายกอยโซรแล้วได้เลยจะสุดนะายไปที่อาดุไปมันไม่จะตายนตำหไม่ได้ด้วยเนี่าอาดุก็เลยต้องปกจตำหนัลกตุ๊่มาเริ่มในลมาในสวนันลงมในสวนก็ในพระราชูติยาตอนนั้นเวลางผ่านไปในทลายนะลูกหลานมันาลตายไม่ได้าถึงเท่านที่ลยก็พระมาตุลาลลงลงมาในพระราชูติยากคนในวังก็มาเจอก็ถามวาเป็นไงเป็นใรก็อกาก็ว่าทำอะไรท้าเราเนี่ย ค า, าัิงที่สุดนโลกนะองันกไม่พอเลยที่ไปข อ, อ, องสวรรค์แต่ก็ไม่อดันตายครังนี้ยไม่ขอเนี่ยเลไปทีว่าตายก็ยังไม่พอว่าถ้าคองก็จะมาตาุราที่คือตุ้าที่บอกว่าก็ตายลงครัทงที่ยังไม่ขอตายลงยารยังไม่หยุดอันนี้นนนก็เป็นคติสอนใจให้รู้ว่าเรื่องการเนี่ยจะให้เพีนพอให้หยุดไม่ได้จะให้ความตื่นีถความ บริูรณรสมุูรณ์จะไมด้ันก็จะเจริญของตาดีไรตามด่ด้วยก็อยู่ที่ตารีางใจให้ถูกต้องถ้ามีเ่นนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาตัวเองแี่นีมันก็จะมีความทุกข์ความสุขเราว่ามาแล้วก็ตัดสใจไม่ถูกต้องสมบัติจะมีความผงแผ่นเป็นดีเรียนก็จะทุกขเพราะสิ่งที่ตัวได้มาแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในกอคำถูต้องจะเพิ่มมด้วยถ้าได้ว่าเรารู้จักปริบัติตามหลักธรรมแล้วเราก็จะทิ้งผลสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดชีวิตโดดบางที่้ ว่าอันแรกเรพื่อเป็นหลักประกันไว้ก่อนเพื่อให้มนุษย์เนี่ยจะมีทางใ้ความสุขในขั้นตอนนี้กันบางขอต้องควไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ินคงเหการกินขั้นว่าคนบางคนได้แต่คนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเกิเลยตัวคนนั้นเองต่อไปถ้าต้องเดือดร้อนเองในที่สุดก็เลยวางละทำเพื่อผ่อนระกัที่็สห้าสี่ห้าก็เป็นหลักประกันเป็นมาตรฐานความสุขแสําหรับเป็นกรอบให้แก่มนุษย์ที่เป็นในระดับกาสี่ห้ก็หลัวิถในระดับกาคือถ้ามนุษย์อยากจะหาทางเปนดูหาทรัพยดส เัาคงมีความสุขแต่ละคนต้องลัได้บางเมื่อีชวงาบมเรือของมันให้เป็นแค่ตาสมัยดเาะสิ่งนี้เราสิายนอกไม่จะมีสละในตัวนมมาากาทยศีาไมช่วยไม่ได้หรอกนศีาช่วยแค่ว่าแต่ละคนต้อยัได้นะให้เขาโอกาสบ้างแต่ละคนต้องหาศีาจะรอกกันไว้แต่ละคนพอได้บ้างได้ตามเปนว่าเดือด้อนกันโลกมันจะเป็นรูปเ้มนกลไกนั่นศีน่าก็เป็นกรอกคางคดสร้างสรรค์ให้มนุษย์ที่ี้าสวเนี่ยา่ัน จะมีความสุขหรืออะไสุดจิเพราะตาอะไรเนี่ยนจะทำไงใ น, นเรื่องของข้อปฏิบัติสูงขึ<อ>้ราดูที่ว่าจะต้องปฏิัดความสุดกณฑไม่มาเลยถ้าหากว่ามีความสุขจมาช่วยแล้วมันก็จะทำให้แก้ปัญหาเรื่องความสุขตาไปได้นีพระพุทธเจ้าัสบอกว่ามันจะมีความสุขประเทศที่ดยความสุขของมนมเนี่ยมันจะเป็นตัวแ่วาถูนอกอย่างเดียว ม, น, ม, น, มนุษย์ถามว่ามีความสุขที่เป็นภายในของตนเองที่เป็นอิสระที่ยูในตัวเองความสุขได้โดยลำพงตัวเองอยู่ที่ไหนก็หาความสุขอย่างนี้ไป ซึ่งถ้าเรียกับที่หนึ่อดับทีขรว่าความสุขที่กิกระมเนี่ยเรียก่อนีว่าสามิตสสามิตสคือประกอบไสามมิตรสามิตประกอบคือสัจหาสามิตประกอบไปสามิก็คือวัตถุหือสิ่งเสพนีคกับสามิตสุดสุขที่อาศัยไม่ขึ้นไปถึระดับตามในปรกรัญหาเนี่ยก็คือนีามิตสุขที่ไม่ต้องอาศัยตามหรอสุขที่่ขึ้นัปสามเป็นสุขที่อยู่ที่จิตใจไี่สำคัญนี่ท่างบอกว่าถ้ามนุษย์ไม่้แต่เอาใจไปรุมอยู่ข้างนอกว เห็นไหมว่าแต่ว่าที่ความสุขทนี้มันก็มีบ้างแล้วแต่บางทีก็ไม่รู้ตัวความสุที่เกิดจากจิใจตัวงที่เกิดอาจะน้อยแล้วเกิจามคุณธมในจิตใจเช่นว่ามนุษย์อยู่ในใจเองนี่ก็เริ่มมีความสุขประเภทนถ้ามนุษย์ไม่คิดแต่จะเอาตัวเองแล้วคิดตัวเองหาเบียดเบียนกันมองคนอื่นเป็นตัวขัดแย้งคนประโยชน์มนุษย์เริ่มมองกันถูกต้องก็มี美德บางทีมันก็ช่วยเหลือกันนุษย์ช่วยเหลือกันให้ต่อกันแล้วเกความรัก้ใจนั้นเกิดความรักอยากจะให้เขามีความสุขช่วยเขาแล มันม่อยู่ร่วมกันนี่มันมุดมีคาธรรมและก็พัฒนาบิดกับกันและก็กลายเ่็ว่าบทีให้แต่เขาก็มีความสุกเอ๊พมันมุดพัฒนาขึ้นมีความธรรมข้มันเปลยนฉะ้วเราเห็นได้เป็นพ่อแม่พ่อแม่รักลูกนี่เป็นตัวอย่างที่เอาเร่ธรรมชาติมามันเปื่อเียนพ่อแม่รักลูกธรรมดามันมุดจะมีความสุขมัได้ม่เาให้แต่ตนเองให้แต่พ่อแม่ให้แต่ลูกต้องมีความสุดและเห็นลูกมีความสุกพ่อแม่ที่มีความสุขนะที่ความักขไม่เกวก็ต่อการเกิควากจิตใจจิต การตรให้เพราะฉะนั้นมันนข้ามเลยแทนที่จะต้องเอามาและมีความสุขใจที่ว่าสามารถให้เขาล้มีความสุขแต่อันนี้ต้องมีคุณธรรมในใจขึ้นมาแทนแที่จะมีปัญหาที่เอาขึ้นตัวก็ต้องมีสิ่งที่นขามคุณธรรมเช่นเมตตาเมื่อมีความรักความสัมนธดีแล้วก็ต่างน้ต้อมีความสุขพอให้กับเขาด้วยก็มีความสุขได้ก็ีวต้องมีความสุขเดี๋พี่เมาเดียวต้อดพเขาแม่คุณธรไมจิตเราขยายออกไปไม่เฉพาะคามรักที่มีในฐานะเ็นพแม่จะมีในฐานะอย่างอื่นนว่าอ้กวจะขยายไ ทีนี้ถ้าพี่พักน้องพี่ก็สามารถให้กับน้องพี่ก็มีความสุขถ้าน้องรักพี่น้องก็สามารถให้กับพี่ก็มีความสุขถ้าพรักเพื่อนก็สามารถให้กับเพื่อน้มีความสุเนทีนี้ถ้าเราแผ่ความรักความเมตตาออกไปแล้วถึงเพื่อมนุษย์จากทั้งหลายอื่นสามารถให้แก่ตักทั้งหลายเราอื่ให้กับเพมนุษย์ที่ก็มีความสุขได้นะนั้นรืมีความสุข้นิดหนึ่งสุขชนิดนี้มันตรงข้ามแทนไม่ต้องเอาอาดิถ้าใจเป็นเาให้เอาดิให้กับคนอื่นทำให้นอื่นมีความสุขไม่ว่าจะให้กอย ถ้าเรามาเขามาในภายในตัวเองโดยสงบสีสงบใจเราอยู่ทางการธรรมชาติเท่ามันช้หมดงานถ้าเราอะไรก็มีความสุขจ้ะในจิตจสงบความมองเห็นด้วยปัญญให้ความิสิงสิหลจิตใจก็ตอตัวความใสมีความสุขจเอความสุขมันแท้จมาคาใจไม่ไทุ่ท่านเมื่อจะหามันก็สามารถมีความสุขได้นีก็เปความสุขภายในนจใจของคุณเรานี้ก็มันสามารถที่จะเข้าถึงคุณลิเศษในกางตัวนองนี่ก็มผู้ที่ถ้อความสุขใจิตใจเเห็นว่าจิตใจสมันมีความสุขก็พยายามฝึกจิตใจเราจะต้องมัน ก็เข้าสุสมาธิก็้องมีความสุขเอ๊ะตอนนี้ไมได้ความสุขเลยไม่ต้องอไรักอย่างเลยปัจจรมม่เอาแล้วพีนี่นั่นติใจมีความสุขจากเองสมาธิไม่ทาสุขจิตนี้มาฝากเป็นกานได้ความสุขทางทางวิธทางาไม่ไม่จำเป็นแหละนะก็ขอใจนความสุขทางจิตความสุขระดับนี้ก็เป็นความสุขที่อยู่ในเรื่องนิบดนั่แหละโดยจากการสุขจิตเป็นพวกสมาธินั่นเป็นพสมาธิได้สมาธิขั้นสงได้ฌานได้ฌานต่างๆที่มีหลายขั้นมีฌานระดับต้นเรต่อมีสี่ขั้นชื่อเรียก เออนน้ำสับโเฉพาะเรองรูปตาวจงราจงีรูตาลวจง่าอเที่ยวไปในรูปประทังรูปาท่องเที่ในรูปประทังก็เลยมาเรียกปราบสุดกระดตนที่ชื่ามิตรตามมาลวจงแล้วท่องเที่ยวเปนเดียวดนี่นะนี่ปลดมาพิลี่ด้มีลักษณะที่สูงขึ้นมาที่กระดกเป็นระดตาวจรเฮ้แกกระดตาลจมไรูปาจรูปจ เรานวันนี้ก็เป็นการอาศัยพฤติกรรมที่ใช้การบเพืนแต่ไม่เรื่องการแหละมันเปเรื่องของการที่ไปแสวงหาคามรสการที่มันมีาณตายมันิแล้วมาอยู่ที่ไม่ดูที่ตาจะมีวิญญาณตามาอยู่ที่ิกรรมที่ใจใตัดอยู่แคเรา่มันก็ขึ้นมาแดับมีความสุขจิตานหนึ่งความสุขดับนี้บางคนก็ึงก็ทาให้ตออกกระจายไปสหรับคนทั่วไปเ่ถ้ามีความสุขระดับนี้มันช่วยแล้วเนี่ยเวลาให้การแสวงหาการของเขาเนี่ยไม่เกิดโทษทุก ก็ไม่ทำให้ของ่บนนานหาว่ถ้ถาคนไม่ความสุอยู่ข้างในความสุขขึ้นต่นอไอ้ข้างนอกก็ต้องหาเต็มที่แหละนะต้องหาให้สุดเี้ยแต่นี้เขามีสุขใภายในและข้างนอกนไงไได้็สุดอบแล้วก็มีความคิดนมากิอเออาสุกการจะจให้ดอดรอืนะ่นเขานนจะเบีดีดดดนะหรือตัวเองกแหละนะารหาความสุกการก็ต้องไประ บ, บ, บ, บ, บนาดระมากมายก็ไม่เอาเพะให้สาย้ตอนนี้ก็เราก็มีตัวานที่มาทาให้มีสมดุลขึ้น ใใากายใจาาก็ไม่เกิดทุกข์นนะถ้าไม่ไวด้ดนี้ก็เป็นว่าให้มีส่วนจิตมช่บ้างใมีความสุขในตาไม่เา็ีบ้างมีความสุขจากศรัทธานีา่ยนมีศรัทาในพระศ า, าสนาติใจได้ไดุ้ขทุกข์รได้สบายใจขนะึ้นมานะก็เ่นตามก็จะบเทาเรื่อนทุกไทยเรอยาไตนเองแล้ว่อื่นลงมีบางคนก็สลักออกเลยแต่เป็นละูซีโบี้อ่าอย่างในสอนนินเดียัโบราณก็เข้าตาไปมาเป็นผีนงจิตเป็นลาซีโบกีดาบทไม่เอาเรื่องเอา เพืี้่าสุขระับกพงงาไประดมามีโทษได้เหมือนกันนะคือว่าคนนี้ก็พอได้ความสุขทาิตเสมาธิโดานี้ก็คิดแจ่ที่ว่าเอาเรื่องอเรจะโลกกับสังคมนี้ตักขานปลีกตัวจากสังคมอีเล่นเลยไม่ตดหนีสังคมไม่เอาเรื่องอาาง ร, รานนอมรไม่าาไมแก้ไขกันตนต่ตางๆวยขึ้นะ ใ, ใจสาได้ก็พอแล้วฉันนันแหลม่มใเที่ยวเออย่างนี้แล้วทีน้ดูกัวนี้มันเัื่องด้วยติดตัวความสุขไมถ้าเกิดมีอะไรขึ้มาภายนอกมีเรื่องภายนอกก่มีชีวิตของเรา็มเรื่องภายนอกมัน เพ่ตทุกดอิสยนมาธิความสุขจะพออกมาถ้าโนเรื่องเราก้องมีความทุกข์เดื่อได้แล้วถ้าเกิดทีเดวเกิดวโลกความโกความหลงขันได้ในคนอื่นได้มีปัญหาได้นะแล้วาไม่แก้ปัญหาเท่าที่ควรก็พระเจ้าบอกว่ามันยังมีโทษอความุขนรับความสุขเหนักนิและกูสมาธิอะไรพวก น, วนี้ัไม่พอยังไม่ทำให้เป็นอิสระแค่จิตแล้ก็ยังต้องขึ้นต่อมันลึกๆในแง่ของจิตใจเจ้อพระพุทธเม้าตอนมองเห็นเหตุพวกนี้เขาก็องเกิดในสมัยนั้นก็เคยเห็นตัวเดตัวที่รู้สีได พระเจ้ากะเลยคนกลางที่มาเป็นติปามาก็คือมาถิงขั้นเนี่ยที่รู้เข้าใจความจริงของโลกวิสชีที่รู้เท่าทัสัญญาแล้วให้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องแม้แต่ทุกขณะเมื่อมีปัญญาท่านสิ่งทีาลายตารปรเปจริงแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นัถูกต้องในแต่ละเวลาน้นในขณะนั้นปฏิบัต น, นั้นเปนคือไม่ทำให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นในิที่ก่วของสิ่งที่ดเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างไม่ทาให้เกิดทุกข์ เี่ถาปัญญาที่รู้กระายความจริงของสิ่งต่างๆเข้นที ades, ่เราเรียนเรื่องนุทธังรัตาเนี่ยเราจะเรียนรู้ในระดับนี้ในที่พูดเรื่องรัตาเรู้วท่าพันเรียนแค่ไม่ฆ่ไม่่แต่แก้ปัญหาได้ทให้เกิดตัวตนรัตตาที่มารับกรดนั้นแต่แต่ละขณะนรับรู้ประสบรงจัต้องไม่เกิดปัญหาไม่เกิดไม่ทำไม่เกิดความทุกข์แล้วจะมีความรลอบดวงงสัยจิตใจได้ตลอดเวลาเพราะจิตใจเป็นสิ่งหนึ่งที่โดยวันสงสัยได้ตลอดเวลาไปเลยแต่พวกนี้มีความสุขด้วยปัญญาที่เป็นอิ ความจงาหมายขงท่านีเราเราการไม่เกิดขึ้นุกุกามก็เกิดขึ้นเลยนี่ยอันี่ดจจริง้ไทยนี่ให้ยมันระดับุกรดับุกเกิดก็กรก็่านว่าถึงความมาที่ได้จริงแล้วก็ทาให้ทุกมเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเลยไม่ทาให้อะไรเป็นปัญหามีปาแก้ได้แต่ทีนี้พอมีความปลองโดการองสยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลลับมาทีนี้ถ้าเองจะมีความสุขอะไรความสุขแม่งมันก็ตอบโจท่ ถ้าตัวมาที่เรนกิเลนได้ทำารูดอยู่มัวบอกอะไรต่อเลยความสุขเสรที่นี่พอเรามีปัญญาบริบูรณ์กิเลสติสลาแล้วมันก็มีไหลแล้วขวางจากควาสุขแล้วก็เ็ที่บริบูรณ์ไปเลยเนี่ยแต่าให้ความสุขประเทนดีไปด้วยกัดูด้วยนีตอนนี้ถึงตอนนี้ถ้าตัวเองมีความสุขอ่เรื่อความสุขก็ไปอยู่นะนี้ถ้าว่าตอการงนามสุกาันก็สบายแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเขาเาเกิดได้มีความสบายที่สูงขึ้นเขาเกิดเลิกามาเอาความสุขตามเรื่ กาาเนี่ยมาแล้วอก็บอกว่าได้รู้จักคาสุขที่ตนนี้ิสุถ้ารไม่ได้จักาสุขที่ตอนนี้ไม่สามารถินดระงได้ยิมกับมาากานแต่เเป็นพราะพระองคได้ความสุขที่ตอนนี้ชองค์ก็เลยไม่ดินมกลับใช่หอันน้เป็นเพราะเป็นภาระิของท่านอย่างนั้นเองท่านไ้งสาเพียงไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นเดกเนีก็เล่นควาุสิ่งของขึเล่นต่างใมากมาแล้วก็หลงไหลได้เล่นขึ้นเล่นหลอานั้นที่จะวัดถ้าเป็นน ที่แกก็เป็นปงไปนะไอ้สิที่ให้สก็ เ, เปลียนไปน่ น, บบนะเเรื่องของวัตถุสัสินเินพออะไตามาองดูของเล่นที่เคยเป็นเด็กที่ตัวไปลงไหมีความสุขขึ้นจากมันตอนนี้เห็นเด็กเล่นแล้วก็หงจะเลยขำใช่มแล้วขำเพาเด็กไปรุ่งลงไหลเรื่องเหล่านี้ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าต้องไปจิตอะไรกันเรื่องเหล่านี้คมันเปลี่ยนระดับทนก็มาลงไหลกอืกนอก่นต่อมาแทนี่นี้นนองเดยวัถ้ า, าิตเนี่ยมันจะเลยพัฒนาเลยต่อไปอีกก็นนปเป็นอาาเปียเ่นอนอยปปนี่คือ ก็เป็นตอเรื่องของการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ทีนี้ถ้าเรายังไม่เรื่อนั้นเลยการาหารนี่จะเป็นมีความผิดอะไรในแน่นอนนะที่ผ่านไปแล้วานองคนะแบบโลกกทักษิท่านมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็อยู่ที่ว่าการพัฒนาท่านระดับนี้รการะดับปัญญาระดับปัญญาระดับธรรมะที่จิตตัวิความุพละอิสรภาพหรือสมบูรณ์เางอันนี้ก็ความสุขก็มีได้หลายระดับความสุขระดับการที่เป็น3าสุดแล้วก็มีระดับจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของ ซึ่งเปน็นนิราภิษุผลแต่เปน็นนิราภิษุอีกระดอับเนี่ที่เหนือที่ไปที่ลุกคนแต่ลองอลไรัเล็กบางทีแม้แต่ใช้สัตว์อื่นจะเป็นขนมนิราภิะละอะไร ไ, ไปยุ่งกับสัว์เล่านั้นไม่ต้องไปยุ่งไปทำกับัตว์แต่แ ท, ทนว่าเป็นความสุขที่ที่นี่ท่านเป็นิราภคระดับนี่ยนีก็เป็นเรื่องของความสุขของมนุษย์ที่ดูที่มนุษย์รู้จักพัฒนาตนเองอันนี้ซึ่งสิ่งอันนี้ก็มได้พัฒนาไปแล้วก็เปิดเป็ น, นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เห็ น, นเระโยชน์ไ่อสั ง, ง, งก็ เป็นฐาที่เป็นเราไปสู่ประโสุดที่แท้จริงเป็นการสารชีวิตก็เป็นะยชน์จาคนไปด้วยเพ่อให้อยู่ร่วมกันได้ดีเพื่อุคนจะได้ประโยชน์ได้ผลที่ดีงาเป็นที่จะแว่าวามสระดับที่หนึ่งอาการีอย่างน้อยมีสีห้ระกัานนั้นก็เอาานเพื่ออ่านมาเพือเพื่อไม่ให้ได้เชื่อคุกันแลานที่จะเป็นตัวชพัฒนาเราะเราทำใจถูกถึงจะเป็นตัวให้เข้าถึงาม่ลำบากสุดที่โดยสุดท่านที่ที่ไม่ต้อาศัยไ่ที่เกินเตุกาที่เราเต เชื่อโยมเราไปหาความสุขประเภททีไม่ทาเรกามีความสุมีความสุขของเราใตัเทางนี้ในคัารย์เองก็ช่วย้าอยู่กัสุือแพ้แบ่งันับสินแบ่งปันกันกันฉนัิ่ที่หลักสัญแล้วก็มีทางมาช่วยถ้าเกิดไม่ทำเสรีธรรมดิเราไปโดยหาความสุขางดิจิต้มีเรารมสุขเป็นสุขทางจิตใจแต่าความสุขทางจตใก็้อปฏิบัติเรื่อสีแเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวบอกเลยมันตัว่วยอย่างไม่เออธายแาสปดี่ก ชอบใจหรือตามพอใจท่จหาความสุขโดยที่วำให้จิตใจให้ตัวเองเป็นดีสละต่วาุมานะนะสี่ต่ก็มาช่วยข้นแล้วเราบไดข้วัดข้ปฏิบัติเป็นียางเนเินไปแล้วแต่มันได้รู้สึกเป็นตัวช่วยหนุนื่อจะางสุที่2เราจะตอไปก็ต้องจดจำยาเือจะเข้าถึอสุขที่สต่อไปท่นนี้ก็ชิดอสงวนดาวแล้วมองยแน่ตอนที่จะสุดเลยมากขึ้นถามได้เรื่ที่วิพากษ์วิจารณ์กันตัวทีเหื่องการกันลึกเลยกที่ทำวิพากษวิจารณ์เห็น อกาตอนแรกเป็นการัญาใช่หมอากได้กามก็หาพได้มาตัดชินผ้าเบื่อนเอาแล้วทีนจะไปแล้วมเอาเนี่ยอยากหนีอยากจะพ้นจากไอ้กามตัวนี้ไอ้กะถูนี้นี่เราพิพัฒนาเนี่ยนี่ทำให้เกิดทุกข์เลยจีนนะารพันาราว่หาวันตอนยังไม่ได้แต่ทุกเนีพอได้มาแล้วสมใจการมามภาษอาารย์กามของกามคือมืนกามท่านยอมรับแต่นีพอได้แล้วมันไม่ขอหมันเบื่อเบือตอนเนี้ยตอนนี้แรีพอศานาามานี่ก็เกิดทุกข์ริีนอ้เรอพิัฒนาเนีเดี๋ยวเดี๋ย อันนี้รานารทีีัขึ้น ม, อ, มน อ, ง อ, องันไม่วยเวไารางกาบอินลงอันนี้ร้สุกนึงความพอใจสบายมันไม่ได้วินอะไรตรงท่าเลยนกวิจาร์ต่าก็เด้นในเรืงขแลาเป็น ต, กตรกะคทรกก็ใส่้การต้อมาต้องเบื่อะรบอันาปัหานวที่ต้องการากพพกกหา ใ, ให้คนอยู่ตลอกไปสมมติว่าเราอยากได้กรนะเรามอยากจะเสีตามน้ก็เดินไปสนนี้ตัวเราไม่เที่ยมันจะมีการพักต่างจะพ้นไปจะตายจะอะไรก็แต่ติดได้เราป มนการัาเป็นการพัฒนาเอก็มสัมัสเลยแล้วทีนี้พอมันจะไม่เอาทันลมันก็ไปกเป็นัฒนามะ้ตัวนี้เบียนนกินอยู่แต่คนทุกคนจะมีถ้าอยู่ในโลกของการตานจะมตัวนี้ดเบียนดีเนี้ยเือพออยากได้อันนี้ไปเจออัน้นปที่นาแหละไออนพอกันมันไม่ได้คนนี้มาทํางามมันดีได้ทำไมมันัาได้ซะ่ยดูอย่างเนี้ยนะครับทีนี้ขอพ้นคนนี้ไปได้ก็จะไปงทันเหมือนกับพวกที่าจตสมาธิก็มันม พอใจอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะดูเดียวๆแล้วดูสิงของนี้มันเกลดอะทงา น, ปนาเป็นคงินเดืน้อยอะนี้ตอนนี้มีวิวันาารเกิดนะแต่ให้โดนในร่างสุขมแ้เดี๋ยวเ่แต่ว่ามันเป็นกสิกรได้สุดยอจะเกิดความรู้สึกที่บืหนยอยากจะผ่านต้นไปแต่กจะหนีไปอยากจะทำลายเสียแต่วต่าววัฒนากานี้ก็ทุกองทุก yeah อย่างที่เป็นตุศน์เนี่ยถือว่าถ้าทาให้ถูกใใก็าม่ไปสนใจกับตุได้ต้อจะทำหรือางทีไม่รูวงก็จะทำถ้าเกิดเราเบื่ไหน่ายมล้วนะเบื่ไหน่ายแล้วถ้าเราเข้าสู่วิธีที่ถูกเบื่ ไม่ได้สงใจสุดจริงเบื่อเนี่เพราะเื่อการที่เราที่ลจิตใจหาทางออกไโดยธรรมนใจธรรมเองใช่ไหมางคนเป็นอย่างนี้เมื่อเราิดไปเองมีก็พากะเป็นตัวิกิยาที่ทาให้หันโน้มมาทางจิตใจทาธรรมะได้และหลายคน็ด้เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าใช้ปัญญาเรารู้เท่าทานเอกต้นแต่็ปหลักต้นแน่นพอดีทั้แล้วเราก็เป็นไปเองล้เราจะพัฒนาตัวได้จำนเนื้อน้อยอยู่ในันของจำก็อาจตรย์กตามให้รู้เท่าทุกน้อยที่สร็้วู้เท่าทานวทางเข้ามาที่จุดที่ถูกได้เป็นอย่างนี้มาขนาดอ แล้วก็โทษกับตะลึงแล้วก็รู้แล้วก็ิดันดเราไม่เกิดโทษัลว่ามดีแบบทไม่ได้เล่นไปปฏัติพราะเราไม่ได้หลักรูแล้วก็หานุ่งจะให้ตัวเรจีทเป็นไรทั้งหมดนะีนพอเราเรียนทํา้อันนึงอ่าซักัน่ยว่าแสงหมืคุณไดเมื่อคุณไมีหน้าที่เป็รับผิดชอบสิดต่อชีิตคุณต่อคนอื่แล้คุณก็รู้จักทําคุณไปช้ทําไปเลยชน์อนึ่งแสหาซักในทางที่ชอบทำนไม่บาเอาแสงหาในทาที่้อบทำรู้จักการสรรสวง แลยรทุแล้วก็ทไม่ได้เป็นอย่เนี่ยเป็นอย่างที่ว่ากลับคนนี้ิ่กมารุกนรับเช้าจะจากรัใช้จ่ายงนให้เป็นอยู่นนะเอาครับย์เป็นมอเป็นเครื่องมือของธรรมะขอการทความดีงานแทนประทุนยมการเินดองารสมัดารสุดัคนที่อยู่ยสุนมันุ้ดแ่างรประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ี่วันใจถูกต้องกับย์มีับแล้วก็จะให้เป็นสุขสมแล้วก็มีกการที่จท่องขอไินถ้ามันมีอันจะต้อง จแสบจลายหลีนไปเพิใจก็ไมผู้เดือดร้อนเมันมากเกนคุณนด้วยความรู้เท่าันรู้ว่ามันเป็นนักการทุนขรนะเราก็จะอยู่ตักิจการมได้ดีที่สุดเทาที่จะเป็นไปได้ที่มันจะเป็นโทษเพรธรรมชาตนั้นนแต่ด้วยความรเทาันเนี่ยเราก็เป็นทิะได้เพราะาสามารถ้าถึความุดชั้นระดับท่มาช่วยเหันเราสามารถมีความสุขได้ดี่สะ